ดเราตายแล้วก็มีทานั้นไม่ฝังกระเผาเท่านั้นไม่ขอกฝังไม่ฝังกระเผาะลรงตามหาบัวท่านว่าจะทำเป็นปลาร้าตายจมมาคั้นส้มคันมั่นกินก็ไม่ได้มนุษย์ไม่มีกุนค่าสัตว์ที่ไร้ฉันเขาถึงจะตายเท่าตายแก่ตายยังไงเขาก็ชำระออกมา ยังมีคุณค่ากระดูกก็ยังเอาไปขายอีกเขาขายอีกน้งก็ขายอีกจักรทิรชานมีคุณค่าแต่มนุษย์ตายแล้วก็กลัวผีต่ากตัว อ, อ้วนอ้วนตายแล้วหามหนักติดตางหาอ่ตายแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไว้ก็ไม่ได้เม็นอีกต่าหาตองฉีดยาเอาไว้ พอจากนั้นครับปิดมิตรให้ดีอีกต่างหากเอาเข้าไปเผานเนยเผาจะกัวจะไม่ไหมอีกต่างหากหาฟืนใช้เ้หาฟื น, าฟนใส่ให้มากที่สุดแต่เวลา ร, รักกันมากที่สุด เ, ออเวลาตายก็ไดนนะ้หาฟืนใส่เผาให้ไหมที่สุดหั <c oughs> <c oughs> วเราะเหมัอนกันนะมนุษย์เป็นอย่างานหลักมนุษย์ หลายเรื่องหลายราวจริงๆนะมนุษย์เนี่ยตายแล้วกลัวผีต่างหากไปเลยนะไมรู้มันจะมาหลอกยังไงมนุษย์มันเป็นยังไงหลอกตัวเองยังงั้นคนี่จุดกลัวผีตัวเองนอนเฝ้าผีอยู่ตัวเองนอนเฝ้ากระดูกตัวเองอยู่ไม่กลัวไปกลัวกลัวกระดูกกลัวผีคนอื่นครันี่แหละใจของมนุษย์มันแปลกเนี่ พิจารณาดูเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจับแล้วมองเห็นได้ชัดชัดพันอย่างเหมืนกันแหละไปนอนนอนเฝ้ากระดูกตัวเองอยู่ไม่กลัวไปกลัวกลัวกระดูกคนอื่นตัวเองนอนนะี่ทั้งหลับทั้งฝันไปกับกระดูกตัวเองเห็นกระดูกตัวเองอยู่ข้างในเพ้อพกลัวป่าช้าอีกนะไปเห็นป่าช้ากลัวอีก ป่าช้าอยู่านี้กระเพาะตัวเองมันเท่าไหร่ฝังซากศพอย่างนั้นไม่กลัวนะกลับอย่างนั้นไปอีกตามไม่จริงปลาช้าอยู่ในกระเพาะตัวเองมันเท่าไหร่ไม่ลูกวัวไม่ลูกควายไม่ลูกหมูหมากาไก่ไม่รู้นกหนูปูปีดมะโรงมะแรงไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่และ ว, วันฝังอยู่ในกระเพาะตัวเอง ถ้ามันจะหลอกมันก็ต้องออกมาจากหลอกออกมาจากท้องมาหลอกตัวเองนะกับไม่กลัวเห็นอยู่ในสํำรับกับข้าวกับหัวเราะแหย่ๆอีกดีใจอีกจะได้กินเขาไงพิจะรณาดูแล้วมนุษย์มั น, ปนแปลกนะมันมีหลายอย่างที่จะต้องให้พวกเราได้ชกเหมืนกนะันแต่เอาเอาเรื่องเรื่องของตัวเองเรื่องของมนุษย์มาชกแล้วอนะไรเพราะดัง แต่ว่าตายเนี่ยพอออกจากร่างไปแล้วมันไม่มีมันไม่มีเครื่องมือไม่มียานรัตนัดไม่มียานไม่มีเครื่องมือมันก็จูนกันหากันไม่เจอพอตายไปแล้วมันก็ไปละอย่างพระเจ้าแผ่นดินถามพระกุมารและกษัตริย์ในพระไตรปิฎกท่านตอบเป็นหลายอย่าง ถามซอกแช ก, กว่านั่นนะพระเจ้าเป็นดิ น, นเวลาตายแล้ววิญญาตออกทางไหนผมบ อ, อกเข้าไปในหม้อปิดอย่างดีเวลาคนจะตายเอาตะโทดมาโทษทหารมาเอาเข้าหม้อปิดอย่างดีเอาไฟเผาเให้มันตายข้ามอดค่อยๆเปิดดวูว่าวิญญาจะออกทางไหนก็ไม่เห็นมันออกมาพขะเจ้าเป็นดินอคนทั้งหลายเขาสงสัยเหมือนกันกับคนทุกนี้สมัยนี้นะ กิเลสมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ตามไม่จริงจะไปจับได้อย่างไรความนึกคิดของตัวเองนะล่ะตัวนึกคิดถนันมันตัวพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆพาไปเป็นผีก็ใช่พาไปเป็นเทวดาก็ใช่ที่จะ ช, ชำระไม่ให้มันมาเกิดในวัฏสงสารชำระตัวนามธรรมดวงนั้นน่ะใจดวงนั้นน่ะให้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะาโภสะโมหะ จิตใจหลุดพ้นจิตใจผู้รู้ที่เห็นจริงจิตใจเป็นหนึ่งหนึ่งจิตใจจะไม่มาเกิดอีกส่นใจนั่นน่ะตัวนามธรรมตัวผู้รู้นั่นน่ะที่จะพามาวนเวียนมาเกิดในวัฏสงสารกันใจตรงนั้นน่ะคุณตัวผู้รู้ตัวนึกตัวความคิดนั่นนะเพราะนั้นพวกเราทุกท่านเนี่ยจะตั้หอยู่ในความประมาท ใครจะเป็นคิวคนที่สามสีต่อไปแลนะบ้างเนี่ยมันเป็นคิวไปเรื่อยๆเลยเพราะเงพวกเราทุกท่านนะ อ, อให้เตรียมพร้อมเอาไว้ใครจะเป็นคิวต่อไปนะอาจจะมาถึงเราก็ได้ในทุกวันเราเป็นใครเราก็งั้นเถอะอาจจะถึงลุงพ่อเลยก็ได้เพราะน้ลุงพ่อจึงตั้งอยู่ในความแม่ประมาะสั่งสมคุณงามความดีอยู่เรื่อยๆเพราะเรืงพวกเราทุกท่านนะ อยากปั้นเปไ็นในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอายุก็เพียงห้าสิบห้าปีห้าสิบหกถามมาว่าน้อยอายุห้าสิบหกแต่ก็เป็นผู้มีบุญคุณส ร, ร้างวัดของเรานะพวกเราก็รู้จักตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาเขาก็ช่วยหลายๆอย่างในวัดของเราถึงเขาจะไม่ได้ทุ่มเทอย่างมากมายแต่เขาก็ช่วยนั้นช่วยนี้ช่วยนี้ช่วยนั้น จนวัดของเราพอได้รับความสะดวกส บ, บายจากศรัทธาญาติโยมพวกอยู่ใกล้ชิดของพวกเราเนะี่ยทั้งกำลังกายทั้งกําลังศักด์ช่วยวัดว า, าศาสนาของเราแต่ว่าถึงยังไงเขาก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับเขานะนะั่นแหะเกิดมาพบภูมิใจเขาขอให้มีความสงบโร่งรเย็นเป็นสุขแล้วก็พร้อมกันเข้าก็บริจาค ทองคำช่วยชาติกับองค์หลวงตาใบใหญ่ๆก็คือสองกิโลเลยเนี่ยเขาขายที่ได้สี่ล้า น, นเขาก็ถวายทองให้หลวงพ่อสองกิโลหลวงพ่อก็ถวายหลวงตาเนี่ยทองคำช่วยชาติหาได้ยากนะผู้ที่จะทำได้ขนัดแต่นอกจากนั้นเขาก็ถวายเรื่อยๆถวายน่นถวายนีย่ ไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่แตไ่ไหวเราแตไ่ไหวไว้ในพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขานหะจิตใจของเขาเป็นกุศลจิตใจยินดีนน ใ, น ใ, นในการทําทานคนที่มีการทําทานไปอยู่ในสถานที่ใดถิ่นใดความอดอยากจะไม่ไม่มีแก่เขาเมื่อเขาเกิดแล้วในสถานที่นั้นๆั้นถ้าคนขี้เกียจทําทาน อนนันในโสงทานไม่มีไปเกิดในภพภูมิใดก็มีแต่ความอดอยากคงจะเตรียมพร้อมมาแล้วเรื่องการทำทานหลวงพ่อไม่ได้ตํานึ่รู้สึกว่าเขามีน้ำใจทีเดียวเมื่อเขาป่วยขึ้นมาจากกรุงเทพเมื่อเดินที่แล้วเขาก็ทำบุญให้แม่ของเขาแล้วก็ทาบุญตัวของเขาด้วยโดยแม่ของเขาไม่ได้ไประยุงเทพนานไม่ได้ทำบุญ ก็เลยทำบุญญาติปี่น้องรวมทำบุญแล้วกของเขาก็าทำบุญเขาด้วยเพราะเขาไม่ไว้ใจในชีวิตของเขาเขาก็จัดเป็นกองผ้าป่าขึ้นมาเนี่ยมนวัดหลวงพ่อไปห้าองค์หลวงพ่อวันไม่ทันเนี่ยมนเมื่อวานเนยะเขาขึ้นมาวันก่อนเลยมาเนี่ยมอนอย่างเมื่อวานเนะี่ยหลวงพ่อก็จัดพระไปห้าองค์เขาจะวัดเราก็ได้มีอะไรพอคอยว่ากนะัน เขาก็เล็จจัดเป็นผ้าป่าลารรักษณะทําบุญถวายเงินมาห้าหมื่นะถวายหลวงพ่อห้าหมื่นเออดีแล้วตอนนี้พอหลวงพ่อรับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วมีคนบอกกรกสะสิบกระทราบว่าหลวงตาจะมาวัดหลวงพอ่อละวันนี้หลวงพ่อกำลังจะให้สิทธ์ให้พรเออดีดีดี ด, ดีจากนั้นหลวงพ่อก็เลยประกาศที่ทําบุญในที่นั่ะ หลวงเออฉัตรไทยาโยมทุกท่านเนีพี่น้องทุกคนหลวงพ่อสาบะองหล้มตาท่านจะมาวัดหลวงพ่อวันนี้กําลังเดินทางมาอยู่เพราะนั้นจตุปัจจัยทั้งหมดที่ถวายหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อรับหลวงพ่อรับแล้วที่จะโยมถวายหลวงพ่อหลวงพ่อจะนําจตุปัจจัยที่ถวายวันนี้แหละถวายลงตายทอดหนึ่งหน้าต่อหนะ จะไปถึงแลหลวงพ่อจะถวายลงตานะให้ลงตานำเอาไปใช้ประโยน์ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกท้านนำไปใช้กับโรงพยาบาลบางโรงรัง้มโร ง, ง, งเรียนบางจนที่พวกเราได้ยินนั่นหละวงตาวัตถุปัจจัยไปส่งเคราะห์ส่งเคราะห์โลกเกาพนมโมทนาจากนั้นหลวงพ่อเทศกล่าวสมุนที่จะคาถาจากนั้นก็ให้ศิลให้พร ตอนนะ้พอกลับมาพอกลับมามาถึงบ้านวังเรามาทางวัดบวกไปว่าหลวงตามาถึงวัดแล้วแลนะแต่นั้นหลวงพ่อติดมามาถึงก็ไปกราบองหลวงตาเสร็จแล้วเขาท่าก็ถามหลวงพ่อเขาเขาป่วยเป็นมะเร็งนะขั้นที่สีแล้วก็ผมจากการหนักวันนี้ถูกเรากอของผมได้ไป สวดมนต์ชันเช้าเขาทำบุญแม่แทำุงทัวของเขาด้วยเขาถวายจะถูกปัจจัยมาห้ามืนแต่กองผมกับคณะขอถวายน้อนถวายองหลวงตาเพื่อเอาไปใจสงเคราะห์ตามอัธยาศัยขององหลวงตาที่สงสงเราะโลกวับถวายทั้งหมดนัอนกออ็ดี เดี๋ยวเราจะได้ใช้แหละไปใช้ส่งเคราะห์ลกต่อไปอนี่แหละลุงพ่อกระดิ่มอดถวายจากนั้นรุงพ่อก็ะดิ่ง้ยนข่าวถวายลุงตากระเดาบุญกุศลที่จะเกิดการทําบุญทาทานเกิดภบใดชาติใดจะให้อุดให้ยากให้มีแต่ความสงบพรมเย็ยนเป็นถุกเกิดชาติที่จะทำยังไงไ ด, ไ ด, ได้มันเป็นมาแล้วคงจะเป็นกรรมในอดีตชาติในทําสิ่งที่มันไม่ดีคงจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคงจะไปทําอะไรมาก่อน มาพบนี้ชาตินี้กักรรมเก่ากอดเช็ดบินคืนอายุห้าสิบห้าปีห้าสิบหกปีกอดถึงคราวจบจบจ บ, จบของชีวิตเช่แล้วดูแลกระนาดข น, นาดใจเหมือนกันถ้าจะว่าไปแล้วก็คนเราต้องตายพัดภาคเราจะพัดภาคจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงค่ะพัดภาคจากลูกนะลูกยังตัวเล็กๆอยู่อายุสิสิบปีมั้ง ลุกสาวกว่าสิบสสี่ปีคนโตตายจะว่าไปกำกำลังหน้าหวงหน้าหวงหน้ารักจะถึงยังไงได้นะพญายมพบาลพญามัจจุราชไม่ให้อภัยนะจะถึงคราวแล้วก็เขาก็ลากถูกูหลังไปอย่างนั้นนะโอ้ยหลวงพ่ออินสร้างวัดยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งเอาไปเธอเขาไม่ได้วานะนะทุกเราทุกทุกท่านก็เหมือนกันก็ได้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอ ให้สังสงคุณนำความรีไว้อยู่เสมอมรณงเมพา ว, วิสติความตายจะต้องมาถึงข้าอีกสักวันหนึ่งแน่นอนให้คิดไว้อยู่เสมอเม่ก็คือข้ามรณงคือความตายเม่ก็คือข้าข้าเปเจ้ า, า, าภัตมรณงเมพาวิสติข้าจะต้องตายอีกสักวันหนึง่งโดยไม่ต้องสงสัยให้คิดไว้อยู่เสมอแต่คิดไว้อย่างนั้นแปลว่าพวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ถึงจะมีความสุขเดินเหินไปที่ไหนได้ฉันอาหารได้นอนหลับสบายความตายนี่ก็ยังแขวนอยู่ในคออยู่ของเราอยู่ตลอดวินัทเวลาดังนั้นท่านจึงให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ภาวนาไปอยู่เสมอใ ห, ให้ทำจิตใจไว้อยู่เสมอให้พิจารณาร่างกายตนเองไว้อยู่เสมอ ร่างกายนั้นจะเลี้ยงอิ่มมีผีมันขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเป็นอื่นคือไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายเรีกว่าเป็นอื่นมันใช้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ยาแก่ละยาเจ็บละยาตายแล้วมันบอกไม่ได้มันไม่ฟังเาะนั้นเลยมันไหลไปตามสภาพของมันเพราะนั้นเราจะไปยึดถือว่าเป็นของเราได้ยังไงแต่ยึดจะมีแต่ทุกอย่างเดียวนะ มือนกต่ยึดยึดถือคนที่เป็นฟังคําของเราเนะี่ยคนที่เปฟังคําของเราเนะี่ยเราพูดแต่ไหนเขาก็ไม่ฟังก็ไปตามเรื่องของเขาตัวเองจะมีแต่ทุกข์นะเพราะนั้นเราจะไปทุกข์ให้โง่ทําไมฮนะเราต้องถามใจตัวเองเราเราจะไปทุกข์ให้งงทําไมเราก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วใช้เราที่จะใช้ได้บอกเราที่จะบอกได้ ท, ทําเราที่จะทําได้นะจับนั้นเรากมันบอกไม่ฟังแล้วก็ปล่อยมันสะิอ่า เราจะไปทุกทําไม่เราจะไปทําใครแต่มันก็ต้องทําใจดูเข้ามาหาตัวใจผู้รู้เนี่ยที่ไปหลงเขาไปถือไปยึดไปถือว่าเขาเป็นของเราเราไปยึดไปถือไปใช้ความสําคัญธมัเป็นของเราเราก็ทุกสิ่งในเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันไม่ไม่ใช่ของเราเขาเหล่านั้นก็ไม่มันเขามัก็มาได้สมาทานมาน ร่างกา ย, ยเป็นของท่านแน่นอนเป็นไม่เป็นอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้ว่าเขาว่าอะไรไปตามสภาพตัวเองไปคว้าลมคว้าแลรงออตีโอยตีไฟไปทุกข์กับมันนะจะว่ายอย่างไรทำให้ว่าความหลงทำให้ว่าความโง่แล้วจะไปว่าอะไรมันมีแต่ความโง่ความหาามลงอะไอยู่ในจิตใจของเราพวกนั้นจะทำอย่างไรจึงจะทํากำจัดความหลงตัวนี้ออกให้ได้ จะกำจัดความโง่ท่านี้ออกให้ได้จากจิตใจถ้าผมกําจัดความหลงความโง่จะจิตใจแล้วจิตใจรู้แจงเห็นจริงรู้เท่ารู้ทันปล่อยวางจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจหลุดพ้นปล่อยวางทั้งหมดปล่อยอยู่ที่ใจวางอยู่ที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนั่นแหละที่นท่านว่าเป็นพระหันและถ้าวางได้ขนาดตันน่ะเอจิตใจ สบายจิตใจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องจิตใจเป็นอิสระนะเพะฉะนั้นพวกเราพยายามฟังพยายามคิดพยายามไต่ตรองพยายามพิจารณาเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังนะจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงกนะันนันจริงนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงอยู่แล้วมีแต่เล่าหลงห ล, ก ง, หลหงกับสิ่งเหล่านั้นหัวเมากับสิ่งเหล่านั้น ให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านั้นก็เหตุอะไรพอมันหลงเพราะนั้นกำจัดดูที่ใจของเราดูใจของเรามันไปจากไหนออกไปจากใจทั้งหมดนะรับพรนะนี้อนุโมทนาให้พอนะ